ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปพตติยานกำลังนำเสนอเรื่องนิโรธสัตว์คือความจริงคือความรับทุกมาถึงตอนที่สมุจเจตธนิโรธคือเป็นการดับกิเลสด้วยผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาตามลาดับ มาถึงจุดหนึ่งก็เกิดเป็นโซดาปฏิมักเป็นต้นขึ้นและมักท่านเองก็จะทำหน้าที่ดับพวกกิเลสประเภทต่า ง, างๆโดยเริ่มต้นมาจากกิเลสสามกองใหญ่แต่ว่าแท้จริงแล้วก็อยู่ในกลุ่มของโมหะคือสักกะยทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตน แล้วก็วิจิกิจช้าความเครือบแคลงสงสัยในคุณของพระทันตรในใจฉิขาในเรื่องชีวิตอดีตเรื่องชีวิตอนาคตเรื่องทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปฏิจจสมุปบาทหรือในกฎของอริยสัจทั้งสี่ประการแล้วก็หลัการยึดถือในแนวที่ไม่ยุติโ ด, ดยเหตุผลและความดีที่ท่นานใช้คำว่าสีรับรตัปประมา คือถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติ ท, ที่ตนเข้าใจว่ามันคลัง่งมันศักดิ์สิทธิ์มันพิเศษมันถูกต้องดีงามในข้อต่อไปเนี่ยที่จริงมันเป็นผลที่สืบเนื่อง่วกิเลต ท, ที่สงบไปเนี่ยวมันจะกิเลต ท, ที่ตัดขาดไปเนี่ยต่อจากนั้นไปเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่มากระทบอย่างไร ซึ่งถ้าเรามองกลับไปที่คุณสมบัติของคำว่าอรหรังที่แปลว่าหักตําแห่งสางสาระจักก็ความหมายเดียวกับสมุเทเฉดานิโรธเนี่ยหมายความว่าดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงในจุดนั้นนั้นจะถึงดับได้สมบูรณ์ในช่วงที่เป็นพระอรหันต์ทีนี้มาดับไปแล้วเนี่ย ท่านก็เรียกใหม่เรียกอีกสภาพหนึ่งคล้ายๆกับความหมายของพระหันที่เราเรียกอีกทีหนึ่งว่าไกลคือว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าแม้จะมีอารมณ์มากระทบจากข้าง น, นอกมาโยโยโยยวนในวิธีการต่างๆกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดความกำหนัดก็ไม่เกิดกระตุ้นให้เกิดความกัดเคืองความกัดเ ค, อ ค, ดเคืองก็ไม่เกิดกระตุ้นให้เกิดความรุ่มหลงความรุ่มหลงก็ไม่เกิด ก็ตุ้น้เกิดความมัวเมาความมัวเมาก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่มีรากไม่มีเชื้ออยู่ํำนองใกล้ๆกับแมลงวันหยอดไข่ลงบนหินมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไข่ขางไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนอนมันจะตายหมดเพราะว่าหินมันไม่มีเชื้อเน่าอยู่จิตใจของพรานทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะาในที่นี้ท่านจึงเรียกว่า ปฏิปักสัตยินิโรธเป็นการดับกิเลสด้วยการสงบประงับได้แก่ผู้เจริญมีปัศนากรรมฐานจนถึงผลญาณคือหมายความว่าญานรู้ในตัวผลรู้ว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุติใจที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรจเจริญได้จเจริญแล้ว มันก็เป็นผลการหลุดพ้นที่ทาวรนอยู่อย่างนั้นท่านทอยู่ทํากลางอารมณ์โลกเช่นเดียวกับชาวบ้านเราทั่วๆไปเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าพระหันตั้งหลายท่านก็อยู่กับชาวโลก้าเป็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องยนด้อรอนแขงไว้ปกติธรรมดาแต่ว่าจิตใจท่านไม่หวั่นไหวจะเรียกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นลงไปตามกระแสรอารมณ์ของชาวโลก จะได้กยกตัวอย่างที่ส่งสะท้อนภาพลักษณ์ในด้านจิตใจของบุคคลสองกลุ่ม่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุรัสรดุดที่พวกคนเขาข้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ข้องอยู่นั้นก็หมายความว่าท่านเองก็อยู่ในโลกแต่ว่าท่านไม่ได้ข้องไม่ได้ติดอยู่ในอารมณ์โลกเหล่านั้น ในขณะที่สามัญชนทั่วไปเนี่ยจิตใจก็ยังขึ้นขึ้นลงๆไปตามกระแสของอารมณ์โลกตรงนี้เราลองสังเกตว่าเราสามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่บริบูรณ์เหมือนของท่านหรอกยกตัวอย่างเช่นว่าคนคนหนึ่งเคยเล่นการพ น, นัน และประสบความพิบัติเดือดร้อนเพราะการเล่นการพนันเป็นเหตุเนี่ยซ้ำซาจนเกิดสลดใจตัวเองแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจเลิกเล่นการพนันคือไม่เล่นการพนันอีกต่อไปเวลาเห็นคนอื่นเขาเล่นการพนันท่านก็ไม่อยากเล่นในตัวคนที่เขาเล่นเนี่ยท่านก็เกิดสงสารเขา หรือแม้ในเรื่องอื่นเช่นว่าคนเคยสูบบุหรี่เคยดื่มสุรามาแล้วก็เห็นโทษของบุหรี่เห็นโทษของสุราแล้วก็ตัดใจได้เด็ดขาดคือไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ต่อไปเห็นคนดื่มก็สูบบุหรี่เห็นคนดื่มก็ดื่มสุราเนี่ยจะเกิดตัวเองเนะี่ยไม่อยากนะฮะไม่อยากจะดื่มจะเสพ จ, จะสูบแต่ว่า สงสารคนที่ตกเป็นทาสของบุรีตกเป็นทาสของสุรายุทเป็นความสงมกที่ทาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดนิยามตรงนี้มันก็คล้ายๆกับนิยามที่เคยพูดไว้คือไม่ใช่คล้ายๆแล้วก็เหมือนกันนะครนิยามที่เคยพูดไว้ว่าทรงอธิบายไว้ในธรรมจักรตอนที่ว่าด้นิโรธเนี่ย อธิบายไว้ห้าความหมายคือหนึ่งการดับปัญหานั้นดับตัญหาก็ตรงกันข้ามกับมไม่ใช่ตรงกันข้ามคือตรงกับสมุดเจตนิโรดสองคือการถ่ายถอนสามก็คือการขายคืน4ก็คือหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นอาการครับ เป็นการที่ต่อเนื่องมาจากการได้ดับธนาเหล่านั้นออกไปแล้วจิตใจจะไม่อะไหล่ไม่โหยหายไม่โหยหาไม่อะไหล่ไม่ปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นดีต่อไปในองการโดยเสด็จรอยยุคนบาปพระพุทธเจ้าหรือการเดินตามรอยเท้าพระอระหันเนี่ย เราจะทำสมบูรณ์อย่างท่านก็คงทำไม่ได้คือส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำไม่ได้แต่ว่าทำยังไงนะคือว่าตัดไปสิ่งที่เป็นปัญหาใช่บ้างอย่างการละกิเลสของพระนี่แต่ก็ไม่ได้หมายความมาละได้หมดหรอกแต่อย่างน้อยนี่พยายามละพยายามลด แต่สมมตว่าอายุเรามากขึ้นเนี่ยไอยกิเลสก็น่าจะลดลงหน่อยไม่ใช่ว่ากิเลสโตเท่ากับอายุกิเลสโตตามสมริ์าก้นไปก็กลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็พยายามลดกิเลสลงมาลดโลภลดโทสะลดโมหะลงมาเราไม่ถึงก็ตัดขาดจบแต่ลดความเข้มข้นลงมา ลดความริสยาลดความแข็งดีลดความเบียดเบียนลดการประทุษร้ายกันเนีลดลงมาเรื่อยตามกะลังความสามารถที่เราจะทำได้แต่ว่ า, าควรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไง น, นะควรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตเพราะถ้าไมา่อย่างนั้นแล้วก็มังสูญเสียโอกาสในการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ในทั้งสามข้อนี้ที่จริงมันสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นโลกุตระที่เรียกว่าสมุจเจตนิโรธคือดับกิเลสได้เด็ดขาดได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานจนถึงมรรยานแล้วไอ้ตรงนี้เด็ดขาดจริงเพราะการเด็ดขาดที่ถาวรเนี่ยเขาก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าส่งบรรลุพระหันดัน่นบรรลุะที่เรียกว่าอากุ ป, ปเมวิมุตติการหลุดพ้นของเราไม่กำเริบ ของท่านนะฮะคือไม่กำาเริ่ออีกต่อไปแต่ว่าสามัญชนเนี่ยมันไม่แน่เฉ่นสมมติว่าเราเจอทรัพย์สินเงินทองเขาวางทิ้งเอาไว้มองซ้ายมองขวาไม่มีเจ้าของเลยในตรงนี้ปัญหาสะพัจิตของเราเนี่เป็นตัวกำหนดที่สำคัญอีกื่งหนึ่งก็คือวางเฉย อ, อย่างนึ่งก็คือเกิดโลภอยากได้เสเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดสงสารต่อเจ้าของทรัพย์แล้วก็พยายามหาทางช่วยเหลือเขานำเขาไปให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จริงก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะจะนำไปให้ไม่ดีอ่ะแต่เดียวตอนเราหิ้วไปก็จับได้ว่าเราขาโมยเราก็พูดยาก เกิดตัดประหานให้ไกลตัวก็หนึ่งก็คือเฉยสองก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมารับของเหล่านี้ไปเราก็ทำหน้าที่เป็นเพียงพยานพยานรู้เห็นมากลอดภัยท้งสองทางแต่ทีนี้ถ้าเกิดโลกอ่ะเรากมีปัญหาทีนี้บางทีเนี่ยเราไม่โลกบางทีว่านเนี่ย จือไม่อยากได้เพราะอะเพราะจำนวนมันน้อยพอเจอจำนวนมากๆ ก, ก็ยุ่งมนเกิดโรคขึ้นเพราะโอกาสที่เราจะเสียผู้เสียคนเนี่ยที่จริงมันเป็นช่วงสั้นๆช่วงที่จิตใจเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งอาจจะมีปัญหาอะไรมาบีบบังคับอยู่เบื้องหลังก็ได้ทาให ไม่สามารถจะต่อสู้กับอารมณ์ที่มากระทบกระแทกได้แต่ว่าของท่านนั้นใน่วันไหวนะครับคือแม้จะฆ่าให้ตายแล้วให้ทำควอนชั่วนี่ท่านไม่ทําตัวตายท่านก็ไม่เสียดายชีวิตไม่อะไรในชีวิตอะไรแต่ประการใดทีรประการต่อไปเนี่ยที่จริงเหมือนกันนะครคือคือมันมันมันเกิดพร้อมกันทั้งสามอย่าง เขาเรียกว่านิสณะนิโรธดับกิเลสโดยการสลัดออกโดยไม่เหลือได้แก่ถึงอมตะมานิพพานแล้วคือหมายความว่าเป็นการหลุดพ้นที่สมบูรณ์แต่ว่าจริงๆแล้วมีความต่อเนื่องกันคล้ๆคุณสมบัติพระอราหันต์ที่ว่าเนี่ยคือหักกำแห่งสังสารจักรปั๊บก็ต่อมาก็อีกสามอย่างก็เกิดต่อกันมาได้ ก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นคนที่ไม่ทําบาปแม้ในที่ลับก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่การไหว้สักการบูชาารบนับถือของบุคคลทั้งหลายเพราะช่วยบุคคลที่เขารบนับถือสักการบูชาท่านเนี่ยมันประสบสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบุญเป็นการบูชาต่อบุคคลที่ควรแก่การสักการบูชาก็นิโรธจึงเป็นชื่อชื่อหนึ่ง ที่มีความหมายเดียวกับนิพานเพียงแต่ว่าถ้าทรงแสดงในโครงสร้างอริยสัจนั้นก็เรียกว่าทุกขสมุทัยนิโรธมากนะฮะเราคุณแล้วก็ไม่เคยเรียกอย่างอื่นยังไม่เคยพบนะฮะยังไม่เคยพบว่าเรียกอย่างอื่นถ้าเรียกอย่างอื่นก็เรียกไปทั้งชุดเต้เช่นว่า อ, อ, อาสวะสมุทยัยอาสวะนิโรธ อาสวานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยมาความพระท่าเรียกก็เรียกไปทั้งชุดเลยแต่ว่าตัวตรงนี้ก็คงเรียกนิโรธเนทะ่านั้นแหละปิงในในในความหมายของคำนิพพานนิพพานนั้นเป็นระมัดเป็นปรมัตธรรมในจิตเจตสิกรูปนิพพานนะิพพานก็เป็นหนึ่งในปรามัตธรรม ในขณะเดียวกันพวกนิโรธหรือนิาพานเนี่ยเขาได้เป็นขันดาวิมุตต์คือมันไม่ใช่ขันมันพ้นจากขันมันจะรู้เวทนาสัญญาสังขารบินญาณแต่มันเป็นวิสังขารคือปราศจากสังขารในขณะเดียวกันโดยขันเนี่ยโดยขันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมบรรดานิโรธมุก็ตอนจัตสรู้ตนพระชนบรรัรสาสามสิภาเต็มตออ่อจากนั้นเราจะเห็นว่ารูปก็ดีเวทนากาดีสัญญาก็าดี สังขารก็ดีนะฮะวิญญาณก็ดีของโปร่งยังมีอยู่เพราะนั้นมันเป็นผลของวิบากขันแต่ว่าสังขารเนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลล้วนๆแต่สังขารโดยทั่วไปเนี่ยเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีกลางๆ ก, ก็มีนะฮะกลางๆ ก, ก็ยังอยู่เนี่ยแหละแต่แต่ที่เป็นอกุศลมันหมดไปเพราะที่เป็นอกุศลก็คือสมุทยัยพระเจ้าทรงดับสมุทัยได้พวกนี้ก็หมดไป แต่ว่าที่เป็นผลคือ เ, เรียกว่าเป็นโลกุตระ ก, กุศลก็คงอยู่ภายในพระไถ่ของพระองค์แต่รูปขันนั้นมันเป็นผลมาจากกิเลสนะฮะกิเลสที่เป็นเตธให้ส่งอุบัติในประการของตระนางสิริมามายาวนพอปรุง จ, ะจะัสรูมันก็กลายเป็นขันที่เป็นวิบาก ค, คือผลของ กิเลกรรมนะฮะตัวรูปขันเนี่ยเวทนาตัญหาตัณขันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นวิบากขันเพราะนั่นจึงไม่ใช่ขันแล้วก็เป็นการละวิมุตติคือพ้นจากการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการธาติสะอะไรก็เป็นอย่อยางนี้นเนี่ยชั่วนิรันดรแต่ว่าดํารงอยู่ในเชิงที่เป็นนามธรรม เป็นพระพุทธคุณนะอย่างที่เราลึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากุณาคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นคุณอยู่งั้นแล้วก็เป็นอสังขตาธรรมคือธรรมที่พ้นจากการปุ่งแต่งร่องของเหตุปัจจัย เพราะเวลาเรียกตรงนี้ท่านเรียกว่านิสสรนะวิมุตต์บ้างเรียกว่ากัตะยานบ้างเรียกว่าสุวัคยานบ้างเรียกว่าญาณทัศน า, าวิสุทธ์บ้างอะไรแต่นะฮะแต่หมายความว่าเป็นการหลุดพ้นออกไปจากภพอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนทายกนธรรมจักแล้วก็เหมือนกันนะฮะที่เกิดขึ้นแก่ร้านตั้งยเช่นในน า, นาตตะกนสูสภาพจิตของ วระปัญวคีหลังจากได้บรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วเนี่ยก็ทรงแสดงถึงสภาพจิตของใครก็ตามนะฮะที่ถึงจุดนั้นเนี่ยก็ทรงแสดงว่าอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบอดนายในรูปเวทนาตัญญาทาังขันวิญญาณเมื่อเบินายก็จะคลายความกับนัดลงไปก็คลายความกับนดจิตก็จะพ้น เมื่อจิตพ้ก็จะเกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วดังนี้จากนั้นก็จะเป็นรู้ว่าชาติในที่แล้วการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลอกิเลสเนี่ยมันหมดแล้วคือไม่มีกิเลสให้ขัดเกลวแล้วมันเสร็จงานนะพูดว่าเสร็จงานเดี๋ยกวกระตังกันเนียร์คือกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วแล้วก็ปรมาจารย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทําก็จบแล้ว กิจในทานองเดียวกันในการละบาปบาเพ็ญบุญนะฮะคือเรียกว่าอัตคุณนอะ่ะที่กิจ ท, ท, ที่เกี่ยวกับตัวเองในส่วนของการละบาปบาเพ็ญบุญนะถวนอาบน้าอาบท่าบิณฑ บ, บาตขับถ่ายอะไรแต่อะไรก็ยังวิตปกติเลยนะแล้วก็กิตในทานองเดียวกันเนี้ยก็ไม่มีกต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอาการของ ของนิโรธของนิพพานหรือว่าของวิมุตต์แล้วแต่ท่านจะเรียกในที่ใดทีนี้ก็สถานะของนิพพานเนี่ยจึงเป็นอนิจจตาคือเที่ยงแท้เป็นจะเป็นนิเป็นนิจจังคือเที่ยงเป็นสุขขังคือเป็นสุขแต่ก็เป็นอนัตตาคือไม่ว่างจากตานามนานิตริก ไม่เป็นตัวเป็นตนนะฮะเป็นนามธรรมที่ว่างจากตนามาหนิาที่ก็ว่างจากกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วก็เป็นโรธะสัตว์คือดับกิเลสตานาอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันก็มีลักษณะอย่างเดียวคือสันติที่เราพูดวันนิพพานไอสันนัตถิสันติประังสุขขังสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพานท่าก็แบ่งออกเป็นสองประการคือถ้ากิเลสดับไปแล้วแต่ว่าชีวิตยังอยู่นี่ท่านเรียกว่าสัพพาติเศสนิพานแต่ดับหมดทั้งสองอย่างก็เรียกว่าอนุปาติเศสนิพานแต่ว่าเอเพื่อจะเรียกให้ต่างกันส่วนใหญ่เราจะเรียกพระหันวันนิพานเฉยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าปรินิพานซึ่งว่าจริงๆทั้งหมดทั้งเก็ปรินิพานด้วยกันเถึงแต่ว่า คงต้องการจะให้เกิดความเข้าใจตรงกันคือหมายความว่าก็ดับหมดทั้งกิเลสแล้วก็ทั้งขันเพราะ น, นิโรธสัตว์ที่ทรงจำแนกแสดงไว้ด้วยภาษาที่แตกต่างกันเป็นนันมากอย่างว่าในหนังสือที่พระเรียนในธรรมเช่นเอกเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีข้อความเป็นอันมากที่หมายถึงหมายถึงนิพพานนะ น, นะเปลี่ยนแต่ว่าภาษามันต่างกันเช่นว่าท่านเรียงเป็นหัวข้อวันนี้ปีทาเวลาฆาวิมุตติสุดสันตินิพพานเพราะเราเห็นว่าจากวิราคาไปเนี่ย จากจิตที่ปราศจากราคะไปมันก็เป็นนิพพานแล้วทั้งนั้นอ่ะรือเป็นนิโรธทั้งนั้นหรือเป็นวิมุตทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อมันอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องขนาดจิตวางเรียงก็กลายเป็นเรื่องของขนาดจิตไปหมายถึงพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าขนาดได้จริงก็เร็วนะฮะเราก็นับไม่ทันหรอกเพรา ะ, ะนันตรงนี้ก็เหมือนกันคือเอาข้อจริงแล้วเนี่ย ทำยังไงว่าเราให้สลัดออกไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องผูกพันไม่เกลืกลักล่วมองสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันเรารู้ว่าทางเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายอยู่มีอันตรายแล้วเราไม่ไปตลอดชีวิตเราไม่ไปตลอดชีวิตอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะในกิเลสบางระดับเนี่ย จะทำยังไงว่ า, ย า, ายวอย่าเขาเรียกว่าอย่าลู้อํานาจแกมันคือหมายความมันคงมีนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ให้เชื้อไม่อาหารมันไม่ได้ปรุงคิดคิดปรุงเป็นการเพิ่มเชื้อให้แกมันและในสุดเนี่ยมันจะลดความแข็งแกร่งลดความเข้มแข็ ง, ขงลงโอกาสที่มันจะมาเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อเราก็จะลดน้อยลงไป คือยังนึกถึงแนวเนี่ยแนวแนวคันติคืออดทนแนวสติคือระลึกแนวเมตตาคือทั้งจิตที่ประกอบไปเมตตาในคนในสัตว์ทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็พยายามที่จะ สลัดความรู้สึกสมมติเราเขาทำอะไรแรงๆเนี่ยอภัยจะบ้างอาภัยได้ก็อภัยจะบ้างแต่สามารถเอาเมตตาเป็นฐานใจเป็นเรือนใจแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งต่ออะไรนะครเพราะว่าแต่เรามีเมตตาเป็นเรือนใจแล้วมันเวลามีอะไรมากระแทกใจเนี่ยมันจะใช้เมตตาเนี่ยสลายไปเองคล้าย้กระเทเน้ําเค็มลงไปในสระน้ําจืด เทลงไปเป็นปี๊ บ, บนะฮะมันก็แต่ว่ามันมันไม่ได้ทําน้ําจืดไปกลายเป็นน้ําเค็มได้มันจะถูกสลายไปเองหรือว่าจะเราเอ่อเปิดน้ําจืดบริสุทธิ์เนี่ยลงในทะเลเลยแล้วก็ไม่สามารถจะสลายน้ําเค็มในทะเลให้มันกลายเป็นน้ําจืดได้เมตานุภาพคือจิตที่ประกอบด้วยเมตตาถ้าว่ามีมากพอนะฮะ มันก็จะทำหน้าที่สลายอารมณ์ที่มากระทบในกรณีที่ไม่รุนแรงเกินไปนะแต่แรงเกินไปเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยกิเลสมันยังไม่หมดแต่กว่าดวงกระแทกกระทันไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเรีย ว, ยวตะตะบาดแตกในมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ทุกควางทลาย แต่รวมมาโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี